ตจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องดับภพบสร้างนิพพานโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่27กันยายน2533ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติตารับฟังได้นบัดนี้ ความสุขพวกเรานี่มีความสุขพวกเราเข้าใจคําว่าความสุขที่มันสงบระงับที่เรียกภาษาบาลีถ้าแปลว่าความสุขชนิดพิเศษวูปสโมสุขเนี่ยหรืออุปสโมสุขสุขชนิดพิเศษไม่ใช่สุขอย่างโลกียสุขหรือว่าสุขคันลิกะสุขอย่างโลกโลกไม่ใช่สุขอย่างนั้นเป็นสุขอย่างพิเศษสุขอย่างมีความสงบระงับจากกิเลสสุขไม่ต้องบําเรอเนี่ย อาตมาอยากให้พ่อเราเนี่ยพิจารณาอ่านในจิตในใจจริงๆแล้ว่าเออมันไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละที่จริงมันคือไม่สุขไม่ทุกข์แบบโลกโลกเราเคยรู้รสของความสุขที่เป็นโลกีสุขหรือกรรมสุขคัลลิกะเราเคยรู้ความสุขพวกนี้มามากแม้แต่ที่สุดเราไปหลงความสุขที่เป็นฌานหรือสีหรือสุขแบบอยู่เดี่ยวๆปลีกยปียนอยู่เงียบๆไม่หยัก ไม่ต้องการให้ใครมายุ่งมาวุ่นเราสงบของเราแล้วแม่ที่สุดเราก็เข้าไปนั่งสมาธิแบบฤษีแล้วก็ไปหลบอยู่ในภพอยู่ในพวังหลับปีหรือว่าหลบไปหลับเฉยเอาก็ตามไม่หลับจริงๆก็เข้าไปสู่พวังและเราก็ว่าสงบดีสุขจะเป็นสุขด้ความสงบอย่างนั้นน่ะมั น, ม, นมันก็เป็นความสงบที่กึง่งกกลางๆงของระหว่างละกิเลสจริงๆ กับนั่งหรือนั่งทําสมาธิแบบฤาษีนี่เขาก็สะกดนิวรณ์กิเลสให้มันสงบชั่วคราวถ้าทําได้มันก็สงบเรียกว่ารูปฌานรูปฌานแบบฤาษีมันก็เป็นความสุขสงบพิเศษเหมือนกันพิเศษอย่างหนึ่งส่วนความสุขที่ไม่ใช่สงบจากกิเลสนิวรณ์แต่เป็นความสมใจสมใจในกิเลสนิวรณ์สมใจในกามสมใจในพยาบาทสมใจในทีนมิธาสมใจในอุทจจะ สมใจในเรื่องฟุ้งซ่านอะไรก็ตามใจเถอะหรือประสงใจในเรื่องที่มันยังงงๆทำอะไรให้งงๆงๆได้แล้วก็เป็นความสุขวิจิกิจฉาสงสัยงงๆไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรดีมันเป็นความสุขได้เหมือนกันมึงคนน้ำมันลงในไหลงงๆเงาๆทุกวันนี้หาเรื่องให้งงๆแล้วก็เป็นสุขดีเหมือนกันเนีมันก็บบาบบอไปอย่างนั้นได้ความสุขที่บมเรอด้วยนิวรณ สมใจสมใจในการสมใจในพยาบาทอย่างกล่าวแล้วหรือสมใจในถีนมิทะสมใจในอุทจจ า, อ ย, าอย่างที่กล่าวเนี่ยเป็นความสุขเหมือนกันและเป็นความสุขอย่างนั้นนะเราเคยมาทุกคนแม้แต่ความสุขอย่าง น, งนั่งสมาธิฤาษีอย่างที่กล่าวแล้วสงบหรืออยู่เดียวๆอยู่ในภพของเราแล้วก็เป็นตัณหาในบำรุงทางตาหูจมูกดิ้นกายและก็ทางใจ ใจที่เราไปมีอุปทานไปนมีพบมีชาติอะไรของเราเอาไว้ใจที่เราไปมีอุปทานไปนมีพบมีชาติอะไรของเราเอาไว้แม้มันปั้นรูปปั้นเรื่องในพบหรือว่าสงบในพบเราก็เป็นความสุขได้นั่นะก็ไปสุขกันมาจนกระทั่งเรามาเรียนรู้เนี่ยเรามาเรียนรู้สุขในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สมที่เราต้องการ ใจเรามีกิเลสตัะหาอุปทานในใจมันเป็นที่ตั้งแล้วมนอยากได้สมที่ใจนึกสมที่ใจหวังสมที่ใจหลงใจเราหลงว่าเป็นได้มาแล้วก็เป็นสุขพอเรามาลดละลงในะมารยนณรู้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเลียวไหลมันเป็นเรื่องที่ควรหยุดได้แล้วพักได้แล้วเนี่ยอย่างที่เราทำมาเป็นขั้นๆตอนตั้งแต่ความสุขในอบายมุกที่ไปเสพสมสุขสมมาจนกระทั่งในกาม รูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสในเข้าในของในสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ลาบยศสันเสริญต่างๆได้มีได้มาสมอกสมใจอะไรเราลดลงจริงๆมันก็สงบลงเป็นความสุขที่สงบมันไม่ต้องไปอยากได้อีกเราลดลงได้มากได้น้อยก็แล้วแต่พวกเราปฏิบัติมาใน ก, ก็ต้องตรวจตราตรวจจริงๆเลยนะคุณจะเห็นว่าเออนี่แหละเรียกว่าเป้าหมายของ ความสุขด้วทิศ ท, ทางนิพานมีบูปสโมสุขมีสงบประงับเป็นสุขที่ปราศจากการสนองสนองอารมณ์เสพนะความสุขอย่างนี้เรามีกันจริงๆแล้วเราทราบซึ้งมันไหมเห็นว่าเราอยู่กันเบิกบานแจม่มใสเบิกบานร่าเริงไม่ร่าซาไม่ร่าซาเหมือนโลกโลกเขาสม อ, อกสมใจแล้วชื่นอกช่นใจยินดีปรีดาร่าซามากไม ไม่ต้องถือขนาดนะดอกเราก็เบิกบานราเริงแจ่มใสของเราวันวันคืนคืนสร้างสรรค์มีมุทิตาจิตมีอนุมโมทนาไมา่เน่ยมีการยินดีเป็นของเรายินดีที่มันสิ่งใดที่ดีเลยรู้ว่าดีแล้วเราก็พอรู้ว่าดีแล้วเราก็เออก็ดีแ ล, แล้วล่ะไม่ต้องไปติดยึดจุมากไม่ต้องไปเฝ้าพี่รีพิ่ไรอะไรกันให้มันมากมากไกลกอง น, นี้เป็นตน้นนะ ความสุขชนิดที่ทวนกระแสกับโลกียะแต่เดิมจะเรียกว่าความสุขก็ได้หรือไม่เรียกว่าความสุขจริงๆเลยก็คือความปล่อยวางสนิทไม่สุขไม่ทุกข์ที่เรียกโดยภาษาอุทุก ข, ขมสุขหรือเรียกว่าอุเบกขาอะไรพวกเนี้เทตมาพยามอิบายอธิบายอุเบกขาหรืออุทุก ข, ขมสุขเนี่ยซึ่งเป็นฐานเวทนาเวทนาคือความรู้สึกซึ่งเราเรียนความรู้สึกเรื่องเรียนเวทนามาจนถึงถึงเวทนาร้อยแป เวทนาต่างๆนานาที่เราพยายามอธิบายกันให้รู้จักเวทนาในเวทนาชัดๆขึ้นรู้จักองค์ประกอบเรว่ากายโยมันประชุมกันมันสังขารกันมันรวมกันอยู่กายเรานี่ก็เป็นสังขารรวมของธาตุดินน้ำไฟลมนี่เป็นวัตถุธาตุประชุมจนกระทั่งถึงจิตใจกับกายเรารวมอยู่ด้วยกันมันประชุมกันอยู่ไปกายโยกายนอกกายใน แล้วก็มันก็มีเวทนาซ่อนอยู่ในนี้อีกเรียนรู้อาการของเวทนานิมิตของเวทนาว่ามันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงเครื่องหมายของเวทนาเป็นลักษณะอย่างไรเรารู้อารมณ์รู้รสชาติรู้สภาพวิเคราะห์ในเวทนาออกอวิเคราะห์ออกว่าแม้แต่เคหสิตะสมนัตความสุขหรือความสบายใจแบบชาวโลกเคหสิตะหรือว่าความสุขแบบเนคขมสิตะ สมนัติเป็นความสุขที่มันออกจากชาว โ, โลกเขาสุขแบบชาว โ, โลกเขาเราก็ละเว้นออกมาออกมาออกมาปลดปล่อยออกมาหลดุดพ้นออกม า, ออกมาเรื่อยๆ เ, เนี่ยขมัสมิตะสมณัตจนกระทั่งถึงเนี่ยขมัสิตตะอุเบกขาแต่ละออกมาจนกระทั่งเป็นอุเบกขาเลยจะเรียกว่าสมนัติก็แม้แต่สมนัติก็ไม่มีโทมนัติก็ไม่มี หมดโทรมณัตหมดสมมณัติอย่าว่าแต่หมดทุกหมดสุกเลยทั้งใจทั้งเวทนาเนี่ยเราก็เรียนภาษาแล้วเราก็เรียนรู้ความจริงจากภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ะในปฐมปิฎกเราก็เอามาเรียนมาบอกมาพูดกันเนี่ยเห็นจะชัดเจนถ้าเราทําได้เราก็ได้รับอาศัยเราได้เราก็ได้อาศัยเราก็เป็นอยู่ไปชีวิตวันวันคืนคืนสร้างสรรค์ประกอบบุญ บุญที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นกรรมเป็นวิบากตราบใดที่เรายังไม่หมดขันห้าเราก็จะมีวิบากที่สั่งสมเป็นกุศลกุศลไปมันไม่ได้เสียหายอะไรในชีวิตกุศลทางโลกกุศลทางธรรมกุศลทางโลกุตตระกรุศลทางโลกียะมันไปด้วยกันนะเพราะเราสร้างเนว่าเป็นบุญเป็นทานแบบโลกียะเป็นบุญเป็นทานแบบโลกียะเราก็ไปด้วยเพราะเรามีแต่กําไรแบบไรให้ได้ตละจะเป็นวัตถุเป็นแรงงาน เรามีวัตถุเราก็เสียสละวัตถุเรามีแรงงานก็เสียสละแรงงานมีน้ำใจเสียสละน้ำใจอย่างละเอียดละออ์ลึกซึ้งกันจริงๆอย่างที่ว่านี่เราเป็นบุญเป็นทานทางโลกุตระเป็นบุญเป็นทานาทางโลกุตระก็คือขจัดกิเลสออกชาระบุญญาเนี่ยบุญญาเนี่แปลว่าการชาระชาระกิเลสออกจริงๆเป็นปรมัตเป็นทางโลกุตระ เราก็ได้บุญทั้งสองส่วนบุญทานแบบโลกียะบุญทานแบบวัตถุแบบไอสิ่งที่มันเป็นคุณค่าทางที่มันจะต้องเป็นมีบากจะหนุห น, น, นเนื่องเป็นสิ่งสะสมเป็นสิ่งกําไรเป็นกรรมทายาโทรเรามีมรดกเป็นทายาทของมรดกของกรรมของเราเนี่ยมันเป็นจริงๆน ะ, ะเป็นจริงๆ ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็สั่งสมแล้ชีวิตเกิดมาจะสั่งสมอะไรก็สั่งสมบุญสั่งสมกุศลนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าศีลที่เป็นกุศลจะทําความเป็นพระอาหารหันต์ให้โดยลําดับเพรา ะ, ะเราสร้างเรามีศีลมาขัดเกลาเกเลียให้เป็นกุศลขึ้ น, นเรื่อยๆนี่แหละ จะสร้างความเป็นอา ร, า ห, ารหันต์ในแก่เราโดยลำดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆตั้งแต่เริ่มต้นศีลนี่ทำให้เราพ้นอวิปปิสานเป็นความไม่พ้นความอวิพ้นวิปปิสานไม่ใช่อวิปปิสาสนศีลจะทําให้เป็นเอ๊ใช่ไหมวิปปิสานเป็นความเดือดร้อนใจอวิปปิสานไม่เดือดร้อ น, อนใจ เราไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่เดือดร้อนใจศีลจะทำให้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็มีอะไรอะไรอีกอาตมาจาไม่แม่นกิลมัธยสูตรเนี่ยไหลไปจกนกระทั่งถึงวิมุติยานทัศนะนั่นแหละไหลไปเจริญไปเรื่อยๆจากเอาปิปติสารและจากปิติปัสสติปิติสุปิติปัสสธิสุขสมาธิอาตมาจาได้คร่าวๆนั่นเนี่ย คงคงไม่ผิดหรอกนะสมาธิแล้วก็จนกระทั่งถึงอะไรแต่อะไรไปจนกระทั่งถึงวิมุตนะมีนิพิธามีอะไรแต่อะไรด้วยมีการหนายคลายมีการอะไรด้วยศีลขัดเกล้าที่คนเขาแยงเราทุกวันนี้วนการศึกษาที่เขาศึกษาศาสนาพุทธ ม, มันเพี้ยนไปจนกระทั่งมาบรรยายกันว่าศีลขัดเกลากายวาจาไม่ได้ขัดเกลาจิตแล้วไม่ถึงจิตแลอกศีลนี่สมาธิเนีน่ยต้องไปทําสมาธิเอาถึงจะขัดเกลาจิตเนี่ยเขาพูดเราเอง เอากิมมัธยสูเนี่ยไปยืนยันกับเขาแล้วจะรู้จะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันปฏิบตัติต่อเนื่องกันมีหลักฐานมายืนยันนะเพราะศีนเนี่ยถ้าปฏิบัติเป็นกุศลแล้วจะไปถึงอรหรันศีนเนี่ยเมื่อเป็นอรหรันมันเอาแต่กายวาจาที่ไหนแล้วอร ห, รอรหรันอรหันม่ต้องถึงใจศีนเนี่ยปฏิบตัติต้องเกิดทั้งใจถึงขั้นเป็นสมาธิสัมมาสมาธิน่าเกิดเป็นญาณเป็นวิมุตวิมุตติญาณทัศนนะนี่เป็นที่สุด ถึงนิพพานถึงความเป็นอรหันต์ที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะนเราปฏิบัติทำมาพิสูจน์กันมาเนี่ยจนกระทั่งทุกวันนี้เห็นได้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยหมอดูดูผิดนะหมอดูดูว่าจะอายุสั้นเท่านี้เท่านั้นผิดนะหมอดูดูว่าจะได้รับวิบากอย่างว่าอย่างนี้เป็นอกุศลวิบากถ้าเราทํากุศลวิบากวิ่งนาหน้าเลยไปได้จริงๆมันเป็นการมีพละกําลัง ปฏิหารพิเศษจริงๆหมอดูนี่ดูถ้าบอว่าปฏิบัติลง ก, กุตระได้จริงหมอดูดูผิดหมดหมอดูดูไม่ได้หรอกหมอดูนี่เขาเอาสถิติของโลกียะเอาสถิติของชาวโลกส่วนใหญ่ของปุถุชนมาเป็นสถิติวัดทีนี้สถิติของโลง ก, กุตระเนี่ยมันทวนกระแสโดยซ้ำมันวิ่งกับคนละทางอีกด้วยซ้ำแม้หมอดูนี่หกคำเณรติลังกาหมดหมอดูดูผิดดูพลาดไม่ค่อยจะเข้าใจในทิศ ท, ทางนี้ดูไม่ได้หรอก ต้องเป็นหมอดูชนิดโรกุตร้าด้วยกันนุนถึงจะเข้าท่าถึงจะพอคานวณประมาณได้อย่างบุรุเจ้าเนี่ยถ้าจะดูถ้าจะพยากรก็พยากรด้วยคุณธรรมพยากรด้วยวิชาความรู้ทางธรรมประกอบการกันมันถึงจะถูกต้องมันถึงจะเป็นไปนได้ไอ้ที่ว่าหมอดูหรือว่าเราพยากรอะไรต่างๆก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องเลี้วไหลอะไรทีเดียว เป็นเรื่องที่มีเหตุมีปัจจัยมีเหตุจริงจมีวิบากเพราะงั้นถ้าเพื่อว่าผูดด้ใดที่ยังถึงวิบากมีญานปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าถ้มียานย่างถึงวิสั ย, ญญ ย, ย, ย, ยสัตว์ยังถึงชาติกําเนิดสัตว์โลกต่างๆรู้กรรมรู้วิบากของสัตว์ต่างๆท่านก็มีข้อมูลท่านก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้ท่านรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยท่านก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้นะ แลผู้ดใดที่รู้จริงๆอย่างพระพุทธเจ้ารู้ถึงเหตุปัจจัยบวกลบคูณหารได้เลยในตนทุนข้อมูลทนานนี้บวกลบคูณหารมาเป็นอย่างนี้มันไม่มีปัญหาอะไรนะมันเป็นเรื่องจริงแต่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้แล้วก็ไปเอาแต่อะไรก็ไม่รู้มาดูหมอกันไม่เข้าเรื่องของเราวเอาเลขพานาทีเอาเอนวันนี้มาเดามาโด้นอะไรจะไรไปมีสถิติเอนวันี้มาเปลี่ยนมาเทียบมาเคียงเอามันก็ถูกมั่งไม่ถูกมั่งถ้าสิ่งใดที่มันสอดคล้องกันจริงมันก็พอถูกได้มากเทนายหมอดูบางคนเนี่ย ไปเอาสถิติของบางสิ่งบางอย่างที่มันสอดคล้องร้อยเรียงกันกับชีวิตมนุษย์มือนกันมีเหตุมีปัจจัยคล้ายๆกันร้อยเรียงกันล้อเรียนกันได้เขาเอาสิ่งนั้นมาเทียบมาเคียงประกอบดูทายพยากรณ์มันก็พอไปได้บางคนที่มีหลักเกณฑ์ที่ดีๆแต่จะไปหวังอะไรน่ยมันก็ไม่ต้องไปหวังหรอกจริงๆไปหวังให้หมอมาทายแม่นไม่ต้องไปหวังทําไมเรารู้ความจริงเขาต้องให้ชัดเลย ทำจริงๆปฏิบัติกุศลให้ชัดให้แน่ใจแล้วว่านี่เป็นกุศลกุศลาธรร ม, มาอากุศลาธรร ม, มานี่อากุศลไม่เอานี่กุศลยังไม่ถึงพร้อมไปในความอุตสาหะวิริยะสร้างไปสร้างไปสร้างไปไม่ต้องเอาหมอที่ไหนมาดูหรอกมาเรื่องจริงเรามีกําลังวังชามีเรีย่ยวมีแรงมีอุตสาหะวิริยะมีเวลาเท่าไหร่เอาเลยสร้างแต่กุศลเข้าไปหมอดูไม่มีข้อมูลดูให้ไม่ถูกหรอก แต่เราเองจะเป็นไปตามกรรมเมื่อมีสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลแท้มันก็จะนำพาเราไปสู่ดีเองหมอไม่ต้องมานั่งดูมันก็เป็นไปจริงตามที่เราได้เราเป็นเรามีเพราะฉะนั้นถ้าพูดที่แน่ใจในเรื่องของกรรมแล้วนะไม่ต้องไปหวั่นไหวหรอกเมืออย่างเราเมื่อกี้เนี่ยญาติโยมมาบอกวโอ้ดถูกรถชนลูกเต่าถูกรดชนเราไม่ต้องไปหวั่นไหวหรอกถ้าวิบากของเรามันมีมันก็ถูกรดชนก็ชนอ่า มันจะเจอวิบากอย่างโน้นอย่างนี้ก็เป็นไปตามนั้นอะ่ะแม้จะถูกระชนันเราก็พยายามทําดีไม่ต้องไปทําใจเศร้าหมองไม่ต้องไปทําใจอาฆาตมาดร้ายไม่ต้องไปโกรธไปแค้นไปเครืองไม่ต้องอยากเป็นอยากตายอะไรหรอกล้วก็พยายามทําดีทําใจดีๆไปเป็นไปมันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอ่จะขาหักขาเป๊พิการกับพิการไปมันไม่พิการมันไปได้ก็ไปมันจะได้ขนาดไหนมันก็เป็นวิบากกรรมของเราเอา่เราไม่ได้แสวงหามันซะหน่อยมันยังมาเลย สิ่งที่เราแสวงหาแท้ๆยังมาไม่ได้ตามที่เราหมายเลยมยาะจะไปเสียใจดีใจอะไรกันนักกันหนามันได้อะไรเราก็พากเพียรไปตามอุตสาหะของเราจริงๆตั้งใจมีสติสัปพัญญาปัญญาวันเวลาวันเวลาที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยอย่าประมาทอย่าดูดายนะอย่าดูดายรู้สึกตัวทั่วพร้อมเออนี่เราควรจะทําสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลอย่างน้อยเป็นโลกียกุศลก็ยังดีสร้างสรรค์นเนี่ยออกแรงงาน ทำไม่น่นในนี่เพื่อที่จะได้เกิดมาสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้มีอะไรผลิตขึ้นมามีอะไระเกิดขึ้นมาในโลกจะได้แจกจ่ายเจือจานกันและสิ่งที่เราสร้างก็ต้องรู้ว่าเป็นสิ่งดีทําไปอย่างน้อยก็เป็นโลกีย ะ, ะเป็นโลกีย ะ, ะกุศลยิ่งเราเองเราในทำงานเนี่ยเราก็ได้ลดละกิเลส ข, ของเราไปด้วยเพราะว่าการทํางานเนี่ยอย่างน้อยนี่นะเรารู้สึกตัวว่าเออเนี่เราไม่ได้ทํางานขี้เกียจใช่ไหมเราควรจะขยันนะเราก็ขยันขึ้น ไอ้แค่ขยันขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโลกุตระแล้วละกิเลสแล้วขี้เกียจเนี่ไม่กิเลสนะหรือใครว่าไม่ใช่นะมีไหมขี้เกียจเนี่ยใครว่าไม่ใช่กิเลสมันกิเลสนะกิเลสเห็นแก่ตัวขี้โลบแก่ตัวเองติดพบติดอยู่เฉยๆเพราะงั้นเราเองเราแก้ไขกิเลสปับ๊บแค่นี้แล้วเราก็ไปสร้างสารรค์ทํางานมันก็ได้แก้กิเลสเป็นโลกุตระกุศลแล้ว ลดไปถ้าเราเมื่อยเราเพลียเราปวดนั่นปวดนี่เราไม่สบายอะไรก็มันรู้ว่าเออมันไม่ไหวจริงๆนะมันควรพักถ้าไม่พักมันยิ่งจะเสือ่อมมันยิ่งจะเสียมันยิ่งจะแย่กว่าเก่าเออเราก็สมควรพักก็พักถ้าไม่สมควรพักไปเอาแต่ติดอกติดใจแชอ่อะไรนิดอะไรหน่อยก็อ่อนแอโอ้ตัวเองอ้อซ้ออะไรอยู่มันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ยจะเป็นอย่างที่เราทําให้กับตัวเองนั่นแหละอ่ะอนแอออแอ เรียกว่าออเสาะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราทําให้ได้สัตว์ได้ส่วนควรแข็งแรงออกแข็งแรงไม่ต้องออเสาะไม่ต้องโโอะตัวเองมากมายนักมันก็จะได้ของเราจริงๆเพแฟนมัชชิมมาหรือว่าตัวที่ได้พอเหมาะพอสมประมาณปานกลางได้สัตว์ได้ส่วนเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพยายามพิจรารณาและศึกษาและพยายามแบ่งประมูลให้มันได้สัตว์ได้ส่วนที่ดี ตั้งตนอยู่บนความลําบากพอสมควรไม่ใช่ถึงขั้นทรมานตนจนกระทั่งเสียสุขภาพสุขภาพกายแม้ใจจะแรงยังไงก็ตามก็อย่าไปให้มันเป็นอย่างนั้นส่วนใจนั่นแหะต้องอ่านกิเลสนั่นแหละตัวที่ซับซ้อนลึกซึ้งนี่ต้องอ่านมันจริงๆรนี่เราแต่ละวันแต่ละเวลาเราก็พยายามไปนะแล้วเราก็มีการมีงานกระทํามีชีวิตเป็นอยู่วันต่อ ว, วันต่อ ว, วันต่อ ว, วั น, ววนไปแก่วันแก่คืนไปนปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่า ถ้าเผื่อว่ามันเป็นไปด้วยดีดำเนินไปสู่สุขติสุขติที่ว่าเนี่ยไปถึงนิพพานนั่นแหละสุขติที่ว่าไปถึงนิพพานดาเนินไปดีอยู่เรื่อ ย, อ ย, อยๆนะคุณก็ยิ่งจะมีความมั่นใจอย่างมีความไม่มีแปรปรวนไม่มีบอกแหวะมีแต่จะพยายามดำเนินไปสู่ทิศทางที่จเจริญทิศทางทางเดียวพอสุดท้ายแล้วมันจะไปทางเดียว เมื่อเข้ากระแสจริงๆเข้ากระแสอย่างสมบูรณ์แล้วมันไม่มีบกแวกไม่มีผีหลอกคนเข้ากระแสแล้วนี่นะแม้แต่จะเป็นโสดาแล้วบกแวกได้นะเพราะว่าความมั่นคงมันยังไม่มีมันยังมีบากบกแวกที่ว้านี่หมายในหมายความว่าไม่ตรงต่อ น, นิพานมันเป็นวีบากนะ่ะเพราะงั้นบางคนเนี่ยถูกผีหลอกดึงลงไปแทนที่จะเร็วนะช้าบ ก, บกแวกอ่อนแอ แม้จะเป็นโซดาบันแล้วก็ยังถูกดึงลงไปคลุกคลีแต่ลงไปก็จะได้ขึ้นมาแต่ว่ามันก็เสียเวลาไปเปื้อนอีกทีแล้วมาล้างอีกทีทุกทรมานไปอีกทีไปหลงสุขหลงโลกยีสุขอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็วอกแวกไปเสียเวลาวนเวียนชักช้าเป็นได้จริงๆนะการฉลาดชัดเจนนะแล้วเราก็อย่าไปวอกแวกเสียเวลาอะไรมากมายตั้งนาตั้งตาอุสาหะไปดี ถ้าเราไปได้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราจะมาอนุโลมเหมือนอยากก่างที่ชาวโลกียะหรือผู้ที่อยู่ในโลกในฐานคนที่ต่ํากว่าเราะเราจะมาเกื้อกูลเขาเราจะมาคลุกคลีเกี่ยวข้องกับเขาเราจะไม่ช่วยเหลือเฟื่อฟายเขาหรือเราจะมาเป็นอย่างเขาเป็นบ้างมันก็มีหลักประกันที่เราเองทําได้แล้ว จะมาช่วยเขาก็ได้ไม้เราจะมาเอานาฬิลงไปมันก็ไม่มันติดเสษอะไรอยู่อย่างนี้สิเราควรจะทํานะล้วอย่ะไปเสียเวลาอย่าไปวอกแวกอะไรอะไรดังเปล่ามันจริงๆนะทีนี้ที่อาตมาพยายามหยิบเรื่องของสังกปะวาจากรรมันตะอาชีวะมายืนยันกับพวกเราเนีเพื่อจะจะให้เข้าใจเรื่องมรรคองค์ปดโดยชัดว่าทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยทําความเห็นทําความเข้าใจ ให้แจ้งให้ชัดเลยว่าทิศทางของพระเจ้าที่พาเท่านี้ไม่ใช่แบบรือศีไม่ใช่แบบลัติมากมาย ก, กายกองของพระเจ้านั่นเราจะต้องรู้ว่าชีวิตที่เป็นอยู่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีศีลมากําหนดให้แก่ตัวเองแล้วก็เอาไปประพฤติประพฤติจะเรียกว่าศีลเนี่ยอยู่ในตัวปฏิบัติของสังกปะวาจากรรมันตะอาชีวะก็ใช่ศีลเนี่ยแล้วกาหนดลงไปว่าเราเองเราจะอยู่ในขอบเขตไหนคิดขนาดนี้เกินไปไหม คิดยังจะต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ขนาดนี้หรือว่ามันเกินแล้วเราควรจะต้องน้อยกว่านี้ก็กําหนดลงไปสังกัดปะกามขนาดนี้เราก็อา่อานโดอนุโลมมันก่อนพยาบาทขนาดนี้อนุโลมมันก่อนแต่เกินเขตนี้ไม่ได้แล้วนะอเช่นว่ากามในระดับศีลห้าพวเดียวเมียเดียวนะเกินพวเดียวเมียเดียวนี่ไม่ถูกต้องแล้วผิดแล้วอย่างนี้นเขตนี้ไม่ได้แล้วนะอเช่นว่า กามในระดับศีลห้าพ่เดียวเมียเดียวนะเกินพ่อเดียวเมียเดียวนะี่ไม่ถูกต้องแล้วผิดแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พยายามกา ม, กา ม, มากพยาบาทกามกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกพวกนี้เป็นมิจฉาสังกับปะเราก็จะต้องรู้ว่าขอบเขตของศีลของเรานี่กามระดับนี้ถ้ากามศีลแปดนะเราก็ต้องพิจารณาเอาฐานของเราศีลแปดกามมาวิตกเนี่ ไม่ละเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องคู่เมถุนเลิกอย่างนี้เป็นต้นถ้าสินสิบแล้วก็เรื่องเองินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สมบัติไอท้ทิชาตรูป ร, ราชตตไอส้สิ่งที่คนเขาสมมุติในโลกเป็นของที่ปิดค่าเป็นราคาทางโลกโลกที่เราจะต้องไปแย่งไปชิงอะไรอยู่สะสมอยู่อะไรเนี่ยไม่ละอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องรู้สาระพวกนี้จริงๆปฏิังปฏิบัติตามเขต ข, ของศินจะคิดแค่นั้นแหละสักกปะก็ต้องรู้การมีตกพยาบาทมีตก มีหิงสาวิตกนี่เป็นไปเพื่อความแก้แค้นเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนอะไรต่างๆนานาในระดับของศีลของเรานี่แหละเนี่ยมันเป็นเขตเป็นขนาดที่เราประมาณใช้ให้เหมาะสมกับตนกับตนได้ว่ามัชชิมมาปฏิบัติศีลเนี่ยมันทุกขณะจะคิดจะพูดก็ยะให้มันเป็นสิ่งที่มันไปละเมิดจริงๆก็ละเมิดนิวร เราเมื่อนิวรณ์การพยาบาทเบียดเบียนกับอุทจักกุกุจักทินมิทัพิจิกิชาอะไรพวกนี้นิวรณหลักๆเข้มคนเขาเราก็มีแต่พวกนิวรณ์ทั้งนั้นนะ่ะเราจะให้มันละเมิดแม้แต่พูดจาจะไปโกหกก็เพราะว่าเรายังมีนิวรณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้นะพาเราโกหกจะพูดไปในทางสอเสียดก็เรื่องของนิวรณ์ไม่พยาบาทก็สอเสียมันจะเข้าข่ายของพยาบาทมากหน่อย รักมากเกลียดเกลียดมากแต่ส่วนมากกับพยาบาทนี่ก็จะเข้าไอ้ส่อเสียดทาให้คนทะเลาะกันเพ้อเจอ้อไปบ้างหรือแม้แต่ในเรื่องของไม่เพ้อเจอ้อก็เรื่องหยาบเรื่องคายก็เป็นเรื่องได้พูดสมใจหยาบคายนี่ได้พูดสมใจตัวเองอรื่องอริยอร่อยมันก็เป็นเรื่องของทางราคาหรือทางโลภะเนี่ยพิจารณาเข้าไปเห็นสิบวรรักษณะพวกนี้จะเป็นคิดจะเป็นกายกจะเป็นการพูดหรือกายกรรมการการทะทํามันก็อยู่ในศีลทั้งนั้นแหละ ยิ่งสิ้นก็ยิ่งสิ้นข้อกรรมมันตะแล้วนี่ยิ่งชัดเจนเลยว่าปานอาอัทินนากาเมสุมิฉานี่เป็นมิจฉากรรม ม, รรมันตะสามนมิฉากรรมมันตะสามข้อชัดๆเสร็แล้วเราต้องอย่างลึกลงไปจนกระทั่งถึงสภาพของนามธรรมาเมื่อก็ยังสังกัดสังกัป่านี่มีการ ม, มีมีพยาบาทมีเบียดเบียนคาว่าเบียดเบียนนี่รวมลึกซึ้งเข้าไปถึงสภาพที่มันซับซ้อน ใช้คำว่าเบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านซับซ้อนลึกซึ้งนะเราปฏิบัติการกระทาทุกอย่างการกระทำทางกายวาจาหรือใจคิดดําริทําอยู่ประจําชีวิตเรืกว่าอาชีวะก็ไล่ไปจริงๆเลยไล่ไปตามเรื่องราวพรุงนี้ปฏิบัติปฏิบัติให้มันถูกมันตรงถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ผลได้สภาพที่คุณจับติดนะเรารู้ว่าเออเราปฏิบัตินี้ได้ในกายวาจาเขเปลี่ยนไป โดยเฉพาะจิตวิญญาณเราก็เปลี่ยนไป เ, เปลี่ยนไปนะเราสบายนะเราสงบเบิกบานร่าเริงแต่ก่อนนี้คุณมองเครียดอารมณ์หงุดหงิดง่ายอะไรก็อะไรต่างๆนานาเอเดี๋ยวนี้เราไม่เคยทุกข์กับอย่างเงี้ยสบายไม่ฟุง้งซ่านจะนั่งจะนอนจะกินจะเดินอะไรก็สบายปลอดโปร่งมีอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์เป็นกิเลสบังก็น้อยลงน้อ ย, อ ย, อ ย, อยลงอ่านได้ชัดรู้ได้ชัดคุณก็รู้ว่าตัวเองปฏิบัติธรรมอาวุธเจ้าจเจริญ ได้สิ่งที่เป็นมักเป็นผลที่แท้จริงได้อาศัยชีวิตเราได้อาศัยธรรมะหรือคุณธรรมที่เราได้ปฏิบัติได้ผลของเราเนี่ยสังสมไปเรื่อยๆจริงๆอย่างนี้จริงๆนะผู้ที่ปฏิบัติได้ดีมีการตรวจสอบมีการ เ, เรียกว่ามีรสอร่อยในธรรมเรียกว่ามีธรรมรส มีธรรมรสจริงๆเนี่ยจะฟังธรรมมีรถฟังธรรมแล้วก็เบิกบานราเริงฟังซ้ำซากก็ได้ฟังแล้วยิ่งมีสิ่งใหม่สิ่งแปลกยิ่งเกิดปัญญายิ่งเกิดความรู้นำทางเป็นพระหุสูตรเป็นตัวทฤษฎีตัวหลักวิชาอะไรก็แล้วแต่เป็นทิฏฐิความเห็นแล้วเราก็าไปปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นอีกจนกระทั่งมันเกิดผลเกิดบรรลุตามไปเรื่อย ๆ, ๆจ ยิ่งมีจิตใจในเบิกบานร่าเริงนะสดชื่นไม่รีรีรับรับไม่สติสัพชัญญะตกตกตกอนะพวกเรานี่มันมีตัวลวงอยู่ตัวหนึ่งมันถูกลวมนาแล้วในาศาสนาพุทธนี่แหละแม้แต่เทราวานในเมืองไทยนี่แหละลวงว่าความสงบรู้สมาธิหรือความหลุดพ้นนันน่ะมันอยู่ในภพสงบซึ่งมันเป็นมิติแรกง่ายๆใครก็เข้าใจ อยู่เฉยๆหรือว่าหลับหลบไปอยู่นิ่งๆเป็นฌานเป็นสมาธิอย่างที่เขาพูดกันมานานนานแสนนานแล้วน ะ, นะไอ้แบบนี้สงบเรามีความเข้าใจอันนี้ผิดมานานแล้วแล้วล้างไม่ค่อยออกคุณมาพูดซ้าพูดซ้ำมานี่ตั้งสิบกว่าปีแล้วนะพวกเราก็ยังเพลอไม่ได้เพลอเข้าพบแล้วสงบหยุดพักมันเบากว่ามันง่ายกว่า มันเป็นเชิงซ้อนนะมันสลับซับซ้อนย้อนแยงอยู่ในทีมันรู้สึกว่าเป็นสงบใช่สงบในภพไปติดภพลึกลงไปอีกด้านหนึ่งตรงไปไม่ใช่กามไม่ใช่ออกมาทางตาหูจมูลิ้นกายแต่มันกลับไปตรงเข้าไปในภพอีกอันนึงแล้วเราก็หลงมันว่าสงบเพราะมันอยู่กับไปของตัวเองมันไม่เกี่ยวไม่คล้องกับอะไรไม่รับรู้อะไรมันก็สมกับเจตเจตจิตเราที่ต้องการอย่างนั้น ไม่วุ่นไม่ไวายอะไรมันง่ายเข้าใจง่ายพูดแล้วคุณก็รู้เรื่องแต่มันยังไม่ลึกซึ้งสูงละเอียดอะไรมันยังเป็นพบเป็นชาติชนิดหนึ่งนี่ถ้าเราเรียนไม่รู้ไม่เข้าใจนะเราก็จะไม่อยากแก้กลับชาวดุสีที่เขาเข้าใจแบบนี้นี่พูดไม่เขารู้เรื่องอะบอกออกมาบ้างซิไปทำหลับหลับลีลีอยู่ทําไมไม่อะ่ะก็อย่าว่าจะดุสีเลยในพวกเราในพูดปากเปียกปากแฉะก็ยังหลบนั่งต่อหน้าต่อตาเนี่หลบ หลบใส่ไม่เห็อากาศเข้าไปอันหนึ่งปั๊บหลับลบนั่นแหละหลับหลับนั่นแหละหลบตอนหน้าต่อตาแท้ๆนี่คิดสิคือมันฝังในสัญชาตญาณลึกๆน่ะเรารู้ซึ่งเราเอาคำอะไรมาพูดอธิบายแก้ก็ไม่หายหรอกว่ามันเบากว่าง่ายกว่าเบากว่าง่ายกว่าน่ะ เพราะคนเรามันเคยหลับเคยนอนเคยหยุดเคยพักแบบนี้ลงไปในผวังเนยมันเคยมาช่ําชองทีนี้คุณยิ่งไม่มีอะไรกวนยิ่งข้างหน้าข้างนอกนี่ตาหูจมูกดินกายเนี่ยมันไม่มีอะไรร่อโอ้รูปร่อรถร่อกลิ่นร่อเสียงร่ออะไรเนี่ยมันร่อเราให้ชื่นชมโอ้ยตื่นเต้นแหมมันมันมมันก็หลับไม่ลงเนี่มันมันไอ้นี่มันก็ไม่ชื่นชมยินดีแล้วไม่ติดอกติดใจอะไรแล้วลาบยศชั้นเสริญรูปรอกลิ่นเสียงสัมผัสนอกอะไรมันก็ไม่ติดใจอะไรนักมันก็เหลือ ประตูในก็คือพวังเท่านั้นแหละมันอร่อยกว่าเพราะข้างนอกเนี่ยมันชัดๆเลยเราลดลดในเรื่องการมตันหาลดท้งเรื่องของพบนอกเนี่ยลงไปโลกธรรมก็ดีกาไอ้กามากามาตันหานี่ก็ตามาเราลดลงไปจริงๆนะกามาคุณห้าโลกธรรมแปดเราลดจริงๆเพราะนั้นข้างนอกมันก็ไม่ตื่นเต้นดี มันก็เลยเป็นหลงหลายได้ปลื้มก็อยู่กับภาวะตัณหาหรือผวังเนี่ยมันก็ง่ายอาตมากแก้อยู่ทุกวันนี้แก้แกพวกเราตรงนี้อ่ะตรงที่มันยังเป็นฤาษียังไปติดพบติดชาติแล้วก็หลงมรดมันจะต้องเป็นอย่างเนี้ยมันเบามันง่ายดีนี่หนักไปสมัครงานเบาอีกชนิดหนึง่งถ้าข้างนอกเรามีเงินมีทองมากๆเป็นเจ้าเป็นนายก็เอาเงินจ้างคนอื่นทําเราไม่ต้องทำนั่นก็อีกวิธีหนึง่งวิธีนี้มันยิ่งง่ายกว่านั้นอีกไม่ต้องหาเงินเลยนังน่งๆไปบึ๊บ นี่เอาอยู่ที่ของตัวเองนี่เลยอเสษสมสุขสมอยู่ที่ในภพในเพราะว่าตัณหาเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเสียทองมันถึงแมมขุดยากจังเลยอาตมานีนก็ชากลากดึงขึ้นมานี่ยากจริงๆริงเลย อ, ออกจากกามก็มากันได้พอสมควรก็เห็นว่าเออเอาละก็ยังเหลือเสียศษผิวผิวรีย ร, ร, ร, ราดับอะไรก็ไม่มากนักแต่ไอลงในภพนี่สิมันทําไมมันถึงได้ไม่ไม่เรีราดัหรอกมัน เอากันจริงๆ จ, จ, จังๆเลยมากมันก็เป็นตามธรรมดานะเป็นเรื่องจริงเพรา ะ, ะนั้นคุณต้องภาคเพียรเองต้องช่วยที่อตาตมาพูดให้รู้สึกให้สํานึกให้เข้าใจแล้วคุณต้องช่วยตัวเองมันเป็นกิเลสมันกับกรรมนั่นแหละถ้าเผื่อเราไม่เอาออกจริงๆนะมันยากเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นของเบามันอยู่ในตัวด้วยไม่ต้องสแสวงหาเหมือนกรรมจะเป็นของเบาอยู่ในภพได้ง่ายสะดวกกว่าด้วยเพรา ะ, ะนั้นมันจึงยากกว่า มันง่ายมันสะดวกกว่าไม่ต้องลําบากลําบนไม่ต้องทุกข์ร้อนทีนี้คุณก็กลับกันสิกลับกันตรงที่ว่าอ้าวพระมันเป็นอย่างนี้คุณก็จะต้องพยายามฝืนตั้งตนอยู่บนความลําบากเพื่อที่จะมาให้มันได้ตัวง่ายจะต้องมามีตัวยากนี่เห็นไหมันกลับกันมันเข้ามาได้พบหลับปุ๊บมัง่ายก็แก้กลับตั้งองตั้งใจฝึกขัดฝึกฝนพยายามจริงๆมันจึงจะไหวนี่มันกลับไปกลับมาอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเมันการที่จะสงบ จากโลกียะหรือว่าจากราบไอ้ลูกลดกลิ่นเสียงสะพานและราบยอดชัเสริญมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งเสร็จแล้วก็จะต้องมาออกจากภาวะตันหานี้อีกทีนี้จะออกจากภาวะตันหาเราก็เอาตันหาล้างตันหาเอาวิภาวะตันหามาล้างเอาตันหาอุดมการณ์มาวิภาวะตันหาเป็นตันหาอุดมการณ์แทนที่จะใจหลงหลบหลับสงบอยู่กับตัวตนอยู่กับอัตตามานะอยู่กับพบกับผวัง เราก็ต้องพยายามสแสวงหางานการสแสวงหาอุดมการสแสวงหาสิ่งที่สร้างสรรเป็นกุศลอะไรจริงๆงขึ้นไปข้างนอกอจริงจริงนะต้องพยายามใช้ตัณหาใช้ความปรารถนาใช้ความอยากเออเราอย่าอยากเอาอยาอยากเสพสิเสบพภพชาติเสพภวังเราจงอยากสร้างสรรอยากมีบุญอยากมีกุศลอยากมีพาวะปัจจัยที่เป็นมีบากกุศล ต้องอยากอันนี้เอาอยากอันนี้เอาตัณหาพี่เพราะว่าตัณหาอันเนี้ยมาล้างเป็นตัณหาล้างตัณหาอีกซ้อนเชิงพยายามต้องพยายามนะแล้วเห็นความจริงให้ได้เอะเราทำอย่างนี้มันก็หายนะมันก็กระปรีกก้กระเป๋าแล้วก็มันก็ไปเป็นความยินดีมีอนุโมทนาอ่ามีสิ่งที่เราจะต้องยินดีกับสิ่งที่เราได้ทำได้สร้างในมีคุณค่าประโยชน์อ่า เราเองก็เป็นมรดกเป็นกรรมทายาโทของเราด้วยเป็นธายาของกรรมที่เราได้สร้างสารรค์เกือก้อคุณเอื้อเฟือ้อโลกก็พลอยได้รับอะไรเพิ่มเติมขึ้นเราก็ได้จริงๆด้วยเราทําแล้วเราก็ต้องได้โลกก็ต้องได้ผลผลิตได้แตง่งานได้อะไรจากเราไปนี่แหละโลกมันก็อุดมสมบูรณ์โลกมันก็มีอะไรเกิดขึ้นและเราไม่ได้ไปทําสิ่งที่ชั่วร้าย เราทําสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในแก่โลกให้แก่สังคมมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเราต้องเห็นความจริงให้ได้แล้วก็ภาคเพียรจริงๆจนกระทั่งเราเห็นผลก็มันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นมันถึงจะซับซ้อนไปมาซับซ้อนไปมาเป็นอุปกรณ์เป็นอะไรซับซ้อนต่างๆนานาจนกระทั่งล้างละเอียดถ้าไม่ฉะนั้นคุณก็จมอยู่ไม่ด้านใดด้ดานหนึ่งไม่งอกไม่เงยได้กามาตัณหามาติดเพราะว่าตัณหาก็ติดป้ายนานเน ถ้าเผื่อว่าไม่ศึกษาดีๆแล้วก็ไปพากเพียนออกจากภาวาตนาอีกที่สุดแม้เราไปปิดไปติดวิภวะตันหาเป็นตันหาอุดมการณ์เป็นเรื่องที่กามาพบก็ไม่ติดแล้วภาะวะพบหรือภาวะตันหาก็ไม่มีแต่จะมีลึกซึ้งขึ้นไปเป็นพบที่ละเอียดละออนเป็นพบการเสียสละเป็นพบเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเพื่อตน เอาละคุณจะติดพิวิภวตัญหาอย่างนี้อีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติถ้าคุณไม่เบียคุณไม่เบื่อมันแล้วก็คุณจะติดไปอีกเท่าไหร่มันไม่เสียหายหรอกโลกสังคมไม่ขาดทุนตัวคุณก็ไม่ขาดทุนเพราะคุณเป็นคนสร้างบุญคุณเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประธานเป็นผู้ให้เป็นเหมือนพระเจ้าเหมือนศาสนาหลายศาสนาที่เขาสอนมาได้แค่นี้สอนมาได้แค่วิภวตัญหาสอนมาได้แค่ตัญห า, อ, า, หาอุดมการณแต่ไม่ละเอียดละออเหมืนอนที่อาตมาพูดเหมือนอย่างพุทธ เขาอื่นสอนนะไม่ได้เอีร่รออย่างนี้คุณจะได้แค่วิภาวะตัณหามาติดอยู่ที่พราวะตัณหาเสร็จแล้วก็พออยู่กับพระเจ้าพระเจ้าก็จะส่งมาโปรดพระเจ้าก็จะสร้างสรรหรือแม้แต่ในมหายานนี่เขาอธิบายเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเป็นพระอวโลเอาวรกิเตศวนเป็นผู้ที่จะมารือ้อขนสัตว์จะมาทํางานทําการสร้างสรรค์อะไรก็ดีนี่ก็ดีแม้คุณยังไม่ศูนไม่มีนิพพานไม่ปรินิพพานเป็นอัตตายังมีอัตภาพมีปรมาตามันอยู่อะไรก็ตาม มันก็ดีเป็นปรมาตมันที่ดีเป็นอัตตาที่ยิ่งปรมอัตตานี่ยอัตมันนี่เป็นอัตาาอ ต, ต, นนตาที่มันมีคุณค่าประโยชน์ให้แก่โลกคุณก็ได้แต่คุณสร้างคุณสร้ า, ราไปอีกกี่นานับกับการก็ไม่เป็นไรนี่โลกก็ไม่ได้เสียหายเพราะโลกก็ได้อะไรจากคุณเป็นประโยชน์คุณก็จเจริญขึ้นไปเรื่อยยิ่งํารวยยิ่งใหญ่โตยิ่งมีบุญมากไม่เสีย แต่มันไม่ปรินิพานเท่านั้นนะถ้าเผื่อว่าศึกษาไม่ถูกต้องว่ามันไม่หมดตัณหาไม่หมดวิภาวะตัณหาเพราะแม้แต่วิภาวะตัณหาเราก็มาศึกษาซอนหัดปล่อยหัดวางแม้แต่ตัณหาอุดมการณ์แม้แต่สิ่งที่เราทําได้โดยไม่เพื่อตนแล้วเราก็ไม่หลงไหลได้ปริมไม่ติดใจไม่ติดใจนะจนกระทั่งอย่าว่าแต่แค่วิภาวะตัณหาเลยวางก็ได้แล้วพบชาติของสิ่งเล็กซึ่งอุดมการณ์ต่างๆคุณงามความดีต่างๆวางได้จริงแล้วเป็นนิพาน พระพุทธเจ้ายังไม่ให้เป็นหลงไหลได้ปลื้มในนิพพานเลยคิดดูซิว่าบันลึกซึ้งขนาดไหนได้นิพพานถ้าเรายังไปหลงนิพพานเราจะต้องมามีนิพพานอีกแล้วต้องเวียนวนมามีนิพพานอีกคือจะต้องมามีพบของนิพพานอีกนิพพานก็เป็นพบถ้าเผื่อว่าคุณเองคุณไม่ละอัตตาไม่ละอุปทานมันพบว่างนัแหละมันก็ว่างอย่างที่มันจะต้องมีการสร้างสรรค์ด้วยอ่ะแต่ใจเราก็ว่าง สร้างสรรไปแล้วก็รู้ว่าเราไม่เอาเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนแต่ถ้าคุณไม่วางปล่อยจอกนกระทั่งสุดขีดเอาล้วไม่ต้องอยังลงสู่ขันไม่ต้องมีภพไม่ต้องมีชาติตัะหาอุดมการแล้วก็พอเท่านี้ปลงวางลงอายุสังขารจบเท่านี้แล้วเราจะปรินิพานคุณรู้ความจริงของปรินิพานคุณทําปรินิพานได้คุณก็ปรินิพานจริงศูนย์ไปเลยเลิกพระอาจารย์เจ้าพระสมานสัพพุทธเจา้าเป็นต้น พระอาหารหันต์ที่ไม่ตอบภูมิพุทโพธิสัตว์ท่านก็ทําไปตามควรชีวิตของท่านจะสลายจะแตกจะหมดแล้วท่านก็สางสรรค์เพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์เจ้าเนี่ยจะขยันขยันขยันจนโอเวอร์โหลดด้วยพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้จะปฏิพานธ์ในภพนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์เจ้าที่จะปฏิญพาภพนี้ขยันกว่าพระโพธิสัตว์ ขยันกว่าพระโพธิสัตว์พระอระหันต์เจ้าที่จะปริพานกับพระพุทธเจ้านี่ขยันขยันกว่าพระโพธิสัตว์อายุจะสั้นกว่าพระโพธิสัตว์ด้วยซ้ำพระโพธิสัตว์นี่จะต้องสร้างอิทธิบาทจะต้องสร้างกุศลจะต้องสั่งสมกุศลให้ได้มัชชิมาให้ไม่โอเวอร์ไม่โอเวอร์โหลดไม่เกินเหตุอย่างพระอระหันต์เจ้าท่านจะโอเวอร์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านเองท่านพบนี้เป็นพบสุดท้ายวิบากกับมของท่านมันจะ ได้รับหนักหนักในปางนี้ท่านก็ไม่กลัวเพราะท่านไม่ต้องรักษามัชิมาอะไรนะักให้มันเป็นประโยชน์คุณค้าให้มากที่สุดเร็วที่สุดดีที่สุดที่ได้ก่อนเสร็จแล้วท่านก็จะสลายตัวไปแล้วท่านก็จะศูญไปแล้วท่านก็จะตายไปแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์เจ้าที่จะไม่ต่อพบภพตอบภูมิก็ดีจึงขยันกว่าพระโพธิสัตว์แล้วก็ไม่มัยญะ บ, บรญยัติ เหมือนพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ต้องรักษาสัมมาต้องรักษาสิ่งที่จะต้องยืนนานสิ่งที่จะต้องเข้ารู้เข้าร่องที่สุขุมประณีตไปอีกมากมไม่อยากใ้เข้าใจผิดว่าพระโพธิสัตว์ในขยันกว่าพระอรหันต์นะแต่ไม่ได้หมายความว่าพระโพธิสัตว์ขี้เกียจอีกนะแต่คนเราขี้โกงเรามันก็ได้ทุกมุมเลยนะฟังธรรมะแล้วก็เอามุมขี้เกียจเอามุมเลวไปใส่ให้แกตัวอยจะโง่นะไม่ได้หมายความว่าโพธิสัตว์ท่าน ขี้เกียจถ้าไม่ขี้เกียจหรอกถ้าก็สั่งสมบุญให้มันได้มัชชิมาให้มันได้สัดส่วนที่ตั้งตนอยู่บนความลำบากแล้วก็ยิ่งเหมือนกับนักวิ่งเหมือนกับนักกีฬายิ่งซ้อมได้สัดส่วนยิงซ้อมก็ยิงแข็งแรงขึ้นยิ่งซ้อมก็ยิ่งมีกำลังวังชายิ่งซ้อมก็ยิ่งได้ความชํานาญยิ่งซ้อมก็ยังยิ่งพัฒนาเก่งกาจยิ่งขึ้นอะไรงี้เป็นต้นชั้นเดียวกันยิ่งทํายิงสร้างสรรค์ยิ่งดีใหญ่ไม่ใช่ว่างอมืองอเท้าขี้เกียจไม่ใช่อ่า เพราะในความขีคเกียดไม่มีทั้งในพระอรหันต์ไม่มีทั้งในพระโพธิสัตว์อย่าไปเข้าใจผิดว่าโอ้ยพระอรหันต์เจ้าน่ยท่านจะตายแล้วท่านจะไม่นี่แล้วท่านไม่อะไรแล้วท่านจะตายท่านจะสูญนะท่นไม่ต้ไปสร้างบุญสร้างกุศลอีกแล้วท่านจะขีเกียดเนื่องเนื่องในไคาดเดาเป็นการคาดเดาเพราะโดยความจริงแล้วพระอรหันต์ท่านจะรู้ว่าระที่สุดทายของท่านแล้วท่านยิ่งจะต้องใช้ขันนี้จะต้องใช้เนื้อตัวนี้แทงขันสุดท้ายนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่มันจะได้ เลิกกันไปสลายไปเพราะเจตนามันเป็นอุศรเจตนาเพราะอารหันต์เจ้านี่คุณคงไม่เถียงนะว่าเพราะอารหันต์เจ้าจะยังมี อ, อากุสลเจตนาไม่มีอ่ะมีแต่กุศรเจตนานะมีแต่กุศลเจตนาไม่มีอกุสรเจตนาหรอกนะเป็นเจตนาที่จะให้มันได้ประโยชน์สูงให้มันได้สิ่งที่ดีไว้เพราะไหนๆตัวเองก็จะสั่งจะลาจะเลิกแล้ว มันสร้างอะไรดีๆทําอะไรดีๆไว้มันก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นเน่ยเป็นความการุณาเมตตาอ่าเป็นความเมตตากรุณาจริงๆที่จะให้มันเกิดไว้เกิดไว้แล้วเราก็จะได้เลื่อนราร้างไปจากไปอย่างนี้เป็นตน้นเนี่ยเราฟังฟังดูนะคุณจะเข้าใจสรุปแล้วที่พระเจ้าตรัสว่าทำใดวินยัยใดเป็นไปเพื่อความขยันทํานั้นวินัยนั้นของเราก็ตถาคตหรือทำใดวินยัยใดเป็นไปเพื่อความเกลียดคร้านทํานั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตก็สอดคล้อง จะเป็นพระโพธิสัตว์จะเป็นพระอาหารหนะั น, น, น, หนตาา์ขยันหมดฟังไว้นะจะเป็นฐานไหนสายไหนสายพระโพธิสัตว์สายพระอรหันต์ขยันหมดไม่มีขี้เกียจหรอกพระพุธทธเจ้าท่านตรัสไว้ตังตายแล้วคําตายเลยทําได้เป็นไปเพื่อความเกลียดข้านไม่แฉ่ของเราแต่ฐารอกเห็นไหมและที่ น, นี้ไปท่านเองเข้าใจผิดผิดด้นเดาโอ้ยพระอาหารหันต์ดั้นคงจะไม่ต้องกระตือรือร้นอะไรแล้วล่ะท่านก็เฉยๆวางๆลอยๆไปได้ันจะตายแล้วนี่ แล้วมันเดานะฟังดีดีด้วยเหตุผลฟังยินดีดอาตมาพยายามหยิบสัจจะอะไรมาให้ฟังแล้วมันก็เอาหลักแล้วก็อาตมาก็เอาหลักฐานมันสอดคล้องกันเห็นไหมเอาหลักฐานของพระเจ้ามามาอธิบายประกอบเข้าด้วยจะเห็นได้ชัดเลยว่าอย่ามาเลี่ยงตีกินเลยมาเลี่ยงตีกินไม่ได้ศา ส, สนาพระเจ้าเนี่ยคําที่ว่าทําใดไม่ในอะไรเป็นไปเพื่อความขยันหรือทําใดไม่ในอะไรเป็นไปเพื่อความเกียรติครานที่พระเจ้าท่านขยายความไว้นี่นะ่ยมันกํากับไว้ชัดที่สุดเลย ชัดเพราะคนเราจะขยันยังไงทําใจยังไงมันถึงจะเป็นคนขยันกายวาจาลีลาความประพฤติยังไงมันถึงจะเป็นขยันมันก็ต้องสอดคล้องจริงๆใช่ไหมลงตัวสอดคล้องเห็นได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสมณะของพระพุทธเจ้ามีอะไรเป็นเครื่องแสดงอายุถ้าแสดงว่ายังมีอายุอยู่มีอะไรเปรื่องแสดงมีอธิบาตมีความขยันมีความยินดีในการงานขยันในการงานเอาใจใส่ในการงานพิจารณา อะไรในการงานอยู่นั่นเป็นตัวสําคัญสมณะที่หนึ่งก็เห็นชัดตามฐานะโสดาสมณะที่สองเห็นชัดขึ้นตามฐานะส ก, กิทาสมณะที่สเห็นชัดขึ้นในฐานะอนาคาคยิ่งสมณะที่สยิ่งเป็นสมณะที่เห็นอิธิบาทชัดเป็นพระอาหารหันต์ก็ยิ่งเห็นชัดเจนแล้วโอ้เป็นผู้ที่มีความยินดีในงานการงานผากเพียรในการงานเอาใจใส่ในการงานหรือว่ามีวิมังสาในการงานต่างๆอยู่ก็โอ้ยิ่งชัดใหญ่ ธรรมบุญเจ้าตรัสไว้แล้วเป็นเอหิปัสสิโกท้า ท, า, ทายพิสูได้เลยว่าจริงทีนี้เรามาอธิบายสัมปรายิกัประโยชน์เป็นปัจจุบันธรรมสัมปราเข้าโลกใหม่โลกใหม่ไม่ใช่ตายไปอย่างนั้นตายจากกิเลสอยู่ในร่างกายนี้เป็นโอปปาติกะโยนิกิเลสตายเราเกิดจิตวิ ญ, ญญาณเกิดโอปปาติกะนี่จิตวิ ญ, ญญาณเกิดเกิดทั้งจิตวิ ญ, ญญาณกิเลสตายเราเกิด เกิดเป็นพระอริยะอุปัติเทพเกิดเป็นวิสุทธิเทพนี่เกิดเป็นเข้าโลกใหม่นะโลกสวรรค์นนะอุปัติเทพเป็นเทวดานะวิสุทธิเทพเป็นเทวดาบริสุทธิ์นะนี่ตั้งแต่เป็นเนี่ยังไม่ทันตายนีย่พิสูจน์โลกนี้โลกหน้าตั้งแต่ยังไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ตายเนี่ยพิสูจน์สัมปราคายิ่งขประโยชน์เป็นประโยชน์ที่คุณจะศรัทธาศรัทธาในศีลศรัทธาในธรรมศรัทธาในญานในวิมุตติศรัทธาในผลที่คุณได้ คุณศรัทธาจริงๆคุณศรัทธาเห็นทิฏทางนี้เป็นสมามิติเหตุทิฏฐานี้ดีชีวิตอย่างนี้ดีชีวิตอย่างนี้ประเสริฐเป็นสมาชีวิตตาเป็นชีวิตที่วิเศษเป็นอริยะเป็นอริยะคุณอริยธรรมส่งไว้ซึ่งสภาพนี้นี่เป็นของน่าได้เป็นทรัพย์เป็นอริยซับนะศรัทธาศีลจาระคับปัญญานี่เป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์คุณได้คุณศรัทธาในทรัพย์ที่ได้นี้ เสร็จแล้วเราก็มีใจมีศีลมีความเป็นศีลในตัวเราเพราะศีลของเราเนี่ยเป็นตัวที่ละกิเลสกายวาจาใจละได้จริงๆรศีลนี้มีศีลนี่เป็นปกติศีลนี้เคร่งได้แม้ศีลแข็งแข็งเราก็มีเป็นปกติไม่อยากไม่เย็นอะไรเลยเราได้แล้วมันเหมือนไม่ยากเลยมีจาคะจิตใจเป็นการเสียสละเข้าถึงความสละเดียวนี้เลยมีวัตถุก็สละได้เดียวนี้มีแรงงานสละได้เดียวนี้มีอภัยทานก็สละได้เดียวนี้มีธรรมทาน ก็มาสละได้อยู่เดี๋ยวนี้พิสูจนได้เลยเป็นอฮิปสิโกโเป็นสัมปรายิขตะประโยชน์เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้มีปัญญาสัมปทาเข้าถึงปัญญารู้เลยว่าเป็นปัญญาโอ้นี่เป็นปัญญาเป็นโลกุตระปัญญาเท่านะเป็นปัญญาที่เป็นอธิปัญญาเป็นปัญญาในระดับศีลสมาธิปัญญาอย่างชัดเจนอย่างนี้พูดก็รู้เรื่อง แล้วไปพิสูจน์กันซ้ำป ร, รา ย, ยิ่งจะประโยชน์แเราตายไปแล้วก็พิสูจน์กันใครยังไปพิสูจน์กันได้ไม่เป็นเ e อหิปัสิโกท้าทายพิสูจน์ไม่ได้เลยอย่างนั้นนี่ท้าทายพิสูจน์ได้ใครจะเข้าทางากันเนะี่ยนี่อธิบายกันอย่างนี้นอกรีนอกทางนอกเรื่องออกไปอย่างว่าอะไรมันไม่ง่ายอธิบายโลกนี้โลกหน้าก็ไม่ง่ายอธิบายโลกนี้โลกหน้ายอย่างลูซีอย่างาศาสนาฮินดูอย่างอะไรอะไรเขาอธิบายมาเยอะก่อนพระพุทธเจ้าท่านอุบัติก่อนพระพุทธเจ้าจะมา ตราศาสนาของท่านเพราะฉะนั้นสัพดาเยี่ยงทำประโยชน์โลกหน้าก็โลกหน้าแบบนั้นนะพูดกันจนกระทั่งเควหมดเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่ามันไปเขวมันตั้งแต่เมื่อไหร่เลอะเทอะไปอเมื่อเข้าใจได้จริงอย่างที่อาตมาพาพูดพาธรมพาว่านี่พาพิสูจน์เนี่ยเราก็จะยิ่งมั่นคงยิ่งจะยิ่งแน่ใจ ย, ยิ่งจะเห็นจริงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวั น, ว น, นแล้วก็เป็นไปเพื่อสังกปะวาจากรรมตตะอาชีวะมีชีวิตสร้างสรรพิสูจน์ได้นะ มีอิทธิบาตเป็นอายุามีวันนะมีศีลเป็นวันนะน่ะมีศีลสูงขึ้นกับวั น, นะเราสูงขึ้นมีฌานมีการละลดกามพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจ า, กกจาวิจิกิจฉาลดนิวรน่าลงไปได้ก็บสบายเป็นความสุขสุขอันสงบจริงๆไม่มีนิวรนนั่งเดินยืนนอนอะไรอยู่ก็ไม่มีนิวรนมันเป็นความสุข มีพกขรร้าัพย์มีเมตตามีมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพกข้าัพย์เป็นทรัพบเนี่ยซั์มหามหาซับเลยนะอภิมหาซัพย์เลยนะ ม, ยนะมีเมตตามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหมหารตสีเป็นพกค์เป็นทรัพย์มีวิมุติเป็นพลังเราพิสูจน์วิมุติเป็นพลังกันทุกวันเนี่ยเรายิ่งลดละเรายิ่งหลุดพ้นจากโลกได้เท่าไหรเรายิ่งเอาพลังคืนมาเอาเวลาคืนมา เอาแรงงานทางกายแรงงานทางสมองคืนมาเอาทุนรอนคืนมารวมกันได้แล้วมาเป็นพลังสร้างสรรนี่เห็นไหมพลังของแรงงานพลังของทุนรอนพลังของเวลาเวลามันก็มารวมกันมันเป็นพลังสร้างสรรค์มันเป็นพลังที่มีอะไรอะไรเกิดขึ้นให้แก่โลกให้แก่สังคมเพราะเราวิมุต เพราะเราไม่เห็นแก่ตัวเพราะเราไม่ต้องเอาเวลาไปเสียเวลาไม่ต้องเอาแรงงานไปเสียแรงงานปเปล่าๆมีได้แรงงานมาสร้างมาสันไม่ต้องเอาทุนร้อนไปเสียเปล่าเอาทุนรอนมาสร้างมาสันมันยิ่งเป็นพลังกาลังที่เห็นไมนี่เราจนคนข้างนอกเ้างงเขาสงสัยไอ้พวกนี้มันมีพละกําลังอะไรของมันมากมายมันเหมือนเศรษฐีมันเหมือนคนร่าคนรวยมันเหมือนอะไระอะไรต่างๆนานาจนเขาไม่เชื่อเนี่ยจริงๆนับวันก็จะไม่เชื่ออะไรกันนักกันหนานี่พวกนี้โอ้โห จะเอาอะไรก็ได้จะเอาอะไรก็มีจะเอาอะไรก็ทั้งนั้นอะ่ะมันเป็นบุญเป็นทานมันเป็นพลังของความจริงเนี่ยมันพิสูจน์กันไปเรื่อยๆถ้าคุณจะเห็นเวนไปได้ของมั น, นเราก็ได้ของเราสิ่งแวดล้อมก็ได้ดีขึ้นองค์ประกอบดีขึ้นมวลดีขึ้นกลุ่มดีขึ้นคณะบริษัทดีขึ้นเจริญขึ้นงอกงามไพมูลอ่าเกินสี่โมงครึ่งไปแล้วต้องห้นาทีพอ Thank you.